โอกาสาพระอาจารย์เพสานพระเทวานุเถรละเพื่อนสมัยทุกท่านจเจริญธรรมแม่ทีระยะธรรมทุกท่านนักบวชนะหรือนักปฏิบัติทั้งหลายนะก็มีเครื่องติดเครื่องคล้องอยู่ถ้าเราสามารถละเครื่องติดเครื่องคล้องต่างๆไปได้ เราก็มีโอกาสที่จะบรรลุถึงพระนิพพานได้ในสมัยหนึ่งพระพุทธมีพัชพักเจ้าน <c oughs> ได้เสด็จอยู่กับพระภิกษุสงฆ์บริเวณใกล้แม่น้าําคงคาได้ถามพระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเห็นท่อนไม้ที่ลอยมาตามแม่น้ําคงคาไหมเห็นพระเจ้าค่า ต้นไม้นี้ถ้าไม่ติดเข้าเสียอยู่ที่ฝั่งในไม่ติดเสี ย, ยที่ฝั่งนอกไม่จมเสียในท่ามกลางไม่ขึ้นไปเกยไว้บนบกไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกอมนุษจับไว้ไม่ถูกเกี่ยน้าบนบนใบ ไม่ผูน่าเสียภายในถั่วไม้นี้ก็จะไหลออกสู่ทะเลได้เพราะแม่น้ำคงคาโดยปกติก็มีความโน้มเอียงที่จะไหลออกไปสู่ทะเลได้อยู่แล้วฉันใดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายก็เช่นเดียวกันถ้าเธอไม่ติดอยู่ที่ฝั่งในไม่ติดเสียอยู่ที่ฝั่งนอก ไม่จมเสียในท่ามกลางไม่ขึ้นไปเกยอยู่บนบกไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถู ก, นนถกเกี่ยน้ำวนวนไว้ไม่เน่าเสีงในภายในเธอทั้งหลายก็จะเลื่อนไหลสู่พระนิพพานเพอะปกติสัมมาทิฐินั้น ก็เป็นการที่จะเลื่อนไหลเข้าไปสู่ผลนิพพานได้เองอยู่แล้วชั้นนั้นคำว่าฝั่งในก็หมายถึงอยายตนะภายในฝั่งนอกก็หมายถึงอยายตนะภายนอกจมเสียในท่ามกลางก็คือนันทิราคะขึ้นไปเกยแห้งหยวนบกคืออัศมิมานะ ถูกมนุษย์จับไว้ก็คือการละคนคลุกทีอยู่ด้วยกับคลุหัดถูกอมันอนมนุษย์จับไว้คือการประพฤติพรหมจรรย์ที่ปรารถนาที่จะเป็นเทพนิกายใดชั้นใดชั้นหนึ่งถูกเกี่ยน้ำวนวนไว้คือการติดข้องอยู่ในการมคุณทั้งห้า ผู้น้าอัวเองภายในคือความเป็นผู้มีความลามกเป็นผู้ทุศีนต่างๆเหล่านี้คําว่าติดข้องอยู่ในอิริณะภายในอิรตนะภายนอกนั้นอิรตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอิรตนะภายนอกก็คือรูปรส กินเสียงโธธพธพภะธรรมารมเมื่อตาซึ่งเป็นอยนายตนะภายในกระทบรูปซึ่งเป็นอยนายตนะภายนอกเกิดจากขวิญญาณคือการรับรู้ในทางตาขึ้นก็เกิดผัสสะเมื่อเกิดผัสสะก็คือก็เกิดเวทนาเวทนาก็คือมีความยินดี <c oughs> คือสุขเวทนาความยินลายคือทุกเวทนาหรืออทุก ข, ขมสุขเวทนาก็คือเฉยๆ เมื่อเกิดเวทนาก็เกิดตัณหาคือความทะยานอยากพึงพอใจในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเกิดตัณหาก็เกิดอุปทานคือความยึดติดยึดมั่นเมื่อเกิดอุปทานก็เกิดพบคือความแสวงหาที่มันมีพื้นฐานตั้งอยู่ของอารมณ์เมื่อเกิดพบก็เกิดชาติคือความเจริญงอกงามของอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเกิดชาติก็เกิดชลา มรณะโศกะปริเทวะทุขโทมณัสสุปายาสาปิยาวเยียด น, นี่ก็ ค, คือความเกิดพบเกิดชาติซึ่งเกิดขึ้นในใจของเราก่อนและเมื่อพบชาตินี้มันไม่สิ้นสุดลงความเป็นพบชาติใหม่ซึ่งก็ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดจริงๆก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นอายตนะภายในและอายตนะภายนอกนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดเวทนา และเกิดพบเกิดชาตามมานั่นเองความที่เป็นอายตนะนั้นก็คือความเป็น see. อินทรีย์อินทรีย์คือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ในการทําหน้าที่ต่างๆเช่นตาก็มีความเป็นใหญ่ในการเห็นรูปหูก็มีความเป็นใหญ่ในการได้ยินเสียงเพราะฉนั้นจึงต้องมีการสํารวมอินทรีย์คือการสํารวมอายตนะทั้ง6นั่นเอง สิ่งใดที่เราไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องในการเห็นการได้ยินหรือการลิ้มรดมีความพึงพอใจเป็นแนลรมที่เกิดจากการกระทบในอายณะทั้ง6กต่างๆการสารวมอินทรีย์จึงมีความจำเปน็นเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเป็นนักบวชหรือเป็นนักปฏิบัติธรรมเพราะว่าอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าเพียงพอ ถ้าเราปล่อยให้อินรีของเราไหลเลื่อนไปในลมต่างๆเราก็จะถูกมารเข้ามาผจนได้ง่ายๆนะเพราะเราไม่มีกำลังเพียงพอเอินรีเหล่านั้นจึงให้มีการสำรวมอินรีไว้ก่อนหลังจากนั้นนะก็คือการที่จมลงไปในท่ามกลางนั้นก็คือนันทิราคะนันทิร า, าคะก็คือความเพลิดเพลิน ไปในความกำนัดยินดีต่างๆหรือการเพลิดเพลินไปในอารมณ์ต่างๆนั่นเองนะปกตินี้เราก็จะมีความเพลิดเพลินอยู่แล้วเพลิดเพลินไปในความคิดต่างๆเพลิดเพลินไปในความพอใจต่างๆมากมายอันนี้เรียกว่าเรารู้ไม่ทันอารมณ์ของเราเองวันๆหนึ่งเราก็มีความคิดต่างๆมากการที่เรารู้ไม่ทันก็คือเราเ้าไปเพลิดเพลินนั่นเอง ความเพลิดเพลินนั้นนะเขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ในการปฏิบัติธรรมเป็นราคะตัวใหญ่ซึ่งเรารู้ไม่ทันในสิ่งเหล่านี้นะก็เกิดจากอายณะทั้งหกนั่นเองเมื่อกระทบแล้วเรามีเวทนามีตัณหาเกิดขึ้นก็คือความเพลิดเพลินไปในอารมณ์ทั้งหลายเนะพราะเราต้องละความเพลิดเพลินให้เร็วเท่ากับกระพิบตาฉันนั้นความเพลิดเพลินนั่นก็คือเป็นภพหรือเป็นชาตินั่นเองนะเพราะเราหลุด จากสภาวะเข้าไปสู่สภาวะหนึ่งที่เป็นความติดความข้องการที่เข้าไปติดในคล่องนั่นแหละก็เป็นภพเป็นชาติอยู่ในตัวเราจรึงต้องออกจากลมต่างๆให้เร็วไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ยินดียึดร้ายเวทนาทั้งหลายาสุขทุกข์ทั้งหลายก็ออกให้เร็วอย่าไปเพลินในรมต่างๆก็ต้องมีความรู้ทันรู้เท่าเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็น การเป็นผู้เป็น้นคือเราเข้าไปติดนาลมแล้วแต่เมื่อมาเป็นผู้ดูเราก็จะกลายเป็นผู้ดูเป็นผู้ออกจากอรมต่างๆได้เร็วออกจากความเพลิดเพลินออกจากนั่งที่ราคะอันนี้ชื่อว่าเราไม่จมอยู่ในท่ามกลางคำว่าอัศมีมานะนั้นก็คือความเป็นตัวเป็นตนความเป็นสัตบุคคลตัวตนเราเขาว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ความยึดติด ในตัวตนทั้งหลายอันนี้ก็ได้แก่อัตตาตัวตนสักกายทิฐิหรือจะมีมานะตามมาต่างๆเหล่านี้ก็เกิดจากความที่เรามีตัวตนทั้งสิ้นเพราะนั้นโดยคนเราปกติแล้วจะมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี่เป็นหลักมีความยึดมั่นว่ากายนี้เป็นของเรายึดมั่นว่าจิตนี้เป็นของเราแต่พพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า ขันห้าคือรูปคือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือจิตไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราแต่เรายังไม่ยึดไปติดไปข้องไปคาอยู่ในกายและในใจอยู่เสมอความเป็นกายนั้น น, นเราก็ยึดติดอยู่แล้วว่าเป็นของเราเพรา ะ, ะนั้นใครก็จะมาว่าเรามานินทาเรามากระทบกระทบเราไม่ได้เปน็นอันขาดแล้วเราก็ต้องบำรุงรักษากายเราอยู่เป็นประจำให้ดูสวยดูงาม เพื่อให้คนมีความนิยมมีคนนับถือมีคนเลื่อมใสศรัทธาต่างๆอันนี้ก็เป็นความที่เป็นตัวเป็นตนของเราส่วนจิตใจเราก็ยึดถือว่าเป็นจิตใจของเราอยู่เป็นประจำแม้แต่เรามีความคิดเราก็ว่าเราคิดเรามีความโกรธก็ว่าเราโกรธมีความรักก็ว่าเรารักก็คือเมียตัวเราทั้งนั้นนะ แต่ความจริงมันก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วจิตใจก็ไม่ใช่ของเราเพราะนั้นเมื่อจิตคิดก็คือเขาคิดข อ, กกอของเขาเองไม่เกี่ยวกับเราจิตโกรธจิตรักก็เป็นเรื่องของเขาเองไม่เกี่ยวกับเราเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เกี่ยวกับเราเพราะจิตก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองเราก็ต้องเข้าใจในตรงนี้ว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่เกี่ยวกับเราเราจึงจะออกจากความยึดติดในจิต หรืยึดติดแนวลมต่างๆได้แมนก็จะเป็นตัวเราตลอดไปนะเราโกรธเรารักเราชังตลอดไปนะเพราะฉะนั้นความบกพร่องหรือกิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตก็เป็นเรื่องของจิตเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรานะมันจะออกจากความยึดติดยึดมั่นถือมั่นในรูกเวทนาสัญญาสังขารได้จริงๆอันนี้ก็เป็นปัญญาในการที่จะออกจากความยึดมั่นในตัวตนในสักยทิฐีต่างๆได้ ไม่เชนั้นมันก็จะออกจากตรงนี้ไม่ได้เลยตลอดชีวิตก่อนเมื่อเราจะตายก็ยังคิดว่าเออเรามีความรักความชังอยู่และมันก็ออกมาไม่ได้จริงๆสักกี่นึงการที่มนุษย์จับไว้นะก็คือการที่เราอ่าไปละคนไปคลุกคลีกับคลือหัดทั้งหลายคลือหัดก็คือผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระ ไม่ใช่เป็นทีหรือไม่ใช่นักบวชทั้งหลายนั่นเองนะก็รวมเรียกว่าเป็นคเลือหัดทั้งหมดคเลือหัดนั้นอาจจะเป็นญาติเราเองก็ได้หรือจะไม่ใช่ญาติเมื่อเราไปคุกทีเราก็เป็นเราก็ไปสุกับเขาอเขามีความทุกข์เราก็ไปทุกข์กับเขาอหรือไปรับใช้ในกิจการงานต่างๆของเขาซึ่งไม่ใช่กิจของสงฆ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ ก็เป็นความเศร้าหมองของจิตเป็นความเศร้าหมองของพรหมจรรย์นะก็เป็นหนทางที่จะปิดกัน้นะจะเกินเดินทางที่จะออกไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เพราะไม่มีความข้องขัดมีความไปเกี่ยวข้องแล้วก็ไปยึดติดนะในสิ่งต่างๆเกี่ยวกับคฤหัส์ทั้งหลายนะตรงนี้ก็ต้องพิจารณาให้ชัดเจนเออถ้าเราออกมาจากนะออกจากเรือแล้วเราจะไปเกี่ยวข้องในเรืออยู่อีกไหม การที่เรไปเกี่ยวข้องในเหลือนก็คือการที่เราไปติดไปขัดไปคล้องไปคากับขลือหัดไปรับใช้ในกิจการต่างๆนั่นเองนะการที่ถูกอมนุษย์จับไวนะ้ก็คือการที่เราประพฤติผลมจ ร, รย์เพื่อปัถนาเป็นเทพชั้นใดชั้นหนึ่งหรือปัทนาสวรรค์ความปัทนาในความสุขของสวรรค์ต่างๆ อันนี้ก็เป็นความที่เราเนินช้าเอเพราะแม้แต่สวรรค์ก็เป็นความไม่เที่ยงการที่ได้ไปเป็นเทพก็ดีไปเป็นพรหมก็ดีอมีแต่วความไม่เที่ยงทั้งนั้นนะเขาไม่ได้อยู่อเป็นเทพเป็นพรหมถาวร อ, อเมื่อหมดบุญในวาระเหล่านั้นก็ต้องกลับลงมาเกิดใหม่นะการมาเกิดใหม่นั้นก็ไม่ใช่ว่าเกิดในทางที่ดีเสมอไปนะไม่เธต้องเกิดเป็นมนุษย์ทุกครั้ง แต่ก็ไปกดในภพภูมิอื่นได้นะเป็นเปรตอสุรกายสัตว์ได้ชานสรตว์โกได้ทั้งหมดเพราะนั้นจึงเป็นความไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนไม่ใช่ผลทางความ้นทุกขเป็นความเลิ่นช้านะเพราะจริงๆไม่ต้องไปปรารถนาที่จะเป็นเป็นเทพเป็นพรหมหรือปรารถนาสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นอำนาจจับเอาเอาไว้การที่ถูกเบี่ยวน้าบน บนเอาไว้นะก็คือการที่ไปติดในกามะคุณทั้งห้ากามะคุณทั้งห้าก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะที่มีความเพลิดเพลินน่ายินดีนั่นเองนะความที่เราไปติดในกามะคุณทั้งห้าก็ก่อให้เกิดอเวทนาตัณหาอุบทานเกิดพบเกิดชาติตามมาะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ให้เท่าทันในกามะคุณทั้งห้าแล้วก็ไม่ไปสแสวงหา ในกามาคุณเหล่านั้นด้วยนะส่วนมากคนเราก็จะมักที่จะมักจะไปสแสวงหาในกามาคุณต่างๆอยู่แล้วนะเพราะว่าเรามีกิเลสเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงในใจของเราเหมือนกับน้าที่ไหลก็จะไหลลงไปในที่ต่ำได้ง่ายส่วนน้าที่จะไหลย้อนกลับไม่ได้ที่สูงนี้ยากมากนะจิตคนเราก็มักจะไหลลงไปในทางต่ำได้ง่าย สิ่งใดที่ทำได้ง่ายทำได้สบายมีความสุขมีความเพลิดเพลินเราก็ชอบในสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูเราก็สแสวงหาความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเราไปติดไปขัดไปคล้องไปขายในการมาคุณทั้งหลายแต่ถ้าเรารู้เท่าทันว่าใจเราจะไปเพลิดเพลินในการมาคุณเหล่านั้นเราก็ออกมาจากการเพลิดเพลินเหล่านั้นได้ ไม่ไปยึดติดไม่ไปคล้องไม่ไปคาอยู่ในการมาคุณเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นหนทางที่เราจะพ้นทุกได้เพราะฉนั้นก็จึงต้องสำรวมในอายระนะทั้งหกหรือสำรวมอินทรีนั้นไม่ให้เข้าไปติดไปขัดไปคล้องไปคาไปยึดไปแสวงหาไปชอบใจอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นต่อไปก็คือ <c oughs> การผุก <c oughs> การเน่าเสียงในภายใน นักบวชทั้งหลายนั้นนะก็จะมีศีลเป็นเครื่องอาศัยผู้ที่ทุศีล น, นั้นนะผู้ที่ทุศีลผู้ที่มีเจตใจลามกมีความประพฤติที่เมื่อพิจารณาด้วยตัวเองแล้วมีความกินแหนงแข่งใจในตัวเราเองมีความประพฤติต้องปิดต้องบงังต้องซ่อนต้องเล้น ผู้อื่นเห็นแล้วว่าจะติเตียนเราได้จิตใจก็หมักหมมอยู่ด้วยกิเลสตัณหาเหมือนกับกองขยะที่มันเน่าอยู่ภายในอันนี้ก็เป็นหนทางที่จะทำให้บุคคลผู้นั้นมีความเศร้าหมองจิตไม่ผ่องใสการปฏิบัติธรรมก็จะไม่ก้าวหน้าเพราะจิตมีความปัฒนาลามกอยู่ภายใน อาจจะมีการแสวงหาลาบสักการะต่างๆไม่ประพฤติพรหมจรรย์อันนี้ก็เป็นหนทางแห่งความเสื่อมนะเพราะฉนั้นความเป็นนักบวชนั้นเมื่อทําบุญเขาเรียกว่าทําบุญเท่านิ้วโป้งก็จะได้บุญเท่ากับกำปัน้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อทําบาปเท่ากับนิ้วโป้งก็ต้องได้บาปเท่ากับกำปั้นเหมือนกันนะมันก็เป็นความที่เรียกว่าเราเอาชีวิตของเราเข้าไปเสี่ยงเมื่อจะมาเป็นนักบวชแล้ว ก็ต้องพึงสังวรเอาไว้ว่าสิ่งใดที่ควรจะทำสิ่งใดที่ไม่ควรจะทำถ้าทำดีก็ได้ดีมากถ้าทาชั่วก็ได้ชั่วมากเหมือนกันนะเพราะนั้นบางทีก็มีการเล่าว่าในนรกนั้นนะจะมีผ้าเหลืองต่างๆแขวนอยู่เยอะแยะเลยนะเพราะว่ามีพระที่ประพฤติไม่ดีไม่งามลามกนะไปตกนรกเป็นจานวนมากนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เมื่อมาเป็นนักบวชแล้วนะก็ต้องตั้งใจประพฤติพรหมจรรยนะ์เพราะเรารับประทานอาหารที่ชาวบ้านเขาให้มาด้วยความศรัทธาแต่ถ้าเราไม่ประพฤติพรหมจรรย์อันนี้ก็ชื่อว่าเราเป็นหนี้ของชาวบ้านนะเหมือนก็ว่าเออถ้าเราไม่ทำเช่นนั้นนะอาจจะต้องไปเกิดนะเป็นวัวเป็นควายนะในสมัยโบราณเขาก็เข้าใจป็นแบบนั้นกันเพราะการประพฤติพรหมจรรย์นั้นก็คือการที่เรา อได้ประกอบกิจที่สมบูรณ์ที่จะเป็นการใช้นี้ในการที่ชาวบ้านอธนุบำรุงเรานี่ก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องทําในตรงนีนะ้เพราะฉะนั้นนะการที่เราไปติดไปขัดไปคล้องเปคานะอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะก็เป็นหนทางที่เราจะเนินช้าในการที่จะเราบรรลุถึงซึ่งพระนิพพาน เนะพราะปกตินั้นนะเส้นทางแห่งการประพฤติพรหมจรรย์นั้นอันได้แก่มรรคไมยงแปกซึ่งเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐนะิก็คือมีความเห็นชอบสัมมาสังกัปโตคือความดำริหรือความคิดชอบสัมมาวาจาคือเจรจาชอบสัมมากรรมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสัมาธิจิตตั้งมั่นชอบในมรรคมีองคดนี้ก็คือปฏิปทาคือทุกข์นิโรธคาไมนีปฏิปทาก็คือความพ้นทุกข์จากการที่ ด, ดํ า, เ, า เ, เนินไปในองค์มรรคแนี้เพราะปกติถ้าเราดำเนินไปในมรรคแปดนี้เราก็จะไปถึงพระนิพพานได้อยู่แล้วเหมือนกับแม่นม้ําคงคา ที่จะไหลออกทะเลได้อยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ไปขีดไปติดไปขัดไปคล้องเบาในสิ่งที่กก่าเอาไว้ทั้งหมดนะก็จะเป็นหนทนฐานที่เราจะพ้นทุกข์ได้จริงๆในชาตินี้อยูนะ่ที่ว่าเรานะมีความตั้งใจถูกต้องไหมเราตั้งเข็มทิศที่จะเดินไปทางอาทิตย์เหนือนะเมื่อเราตั้งเข็มทิศไปแล้วเนี่ยเราเดินได้ถูกต้องไหมแต่ถ้าเราตั้งเข็มทิศแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตั้งเราไม่ได้เดินไปในทางนั้น เหมืกับเราเข้ามาบวชเป็นพระนี้จริงๆแล้วการบวชก็เพื่อพระนิพพานเท่านั้นนะอยังเชมีคํากล่าวประโยคหนึ่งว่านิพพานัสัิกิริยายะเอตังกาสาวังขเหตราวะข้าพเจ้ารับภากาสาวพัสเพื่อทําพระนิพพานนี้แจ้งนี่ก็คื อ, อจุดเป้าหมายในการที่เราเข้ามาบวชหรือเป็นเข็มทิศ ท, ที่เราต้องเดินนะแต่เมื่อเราเข้ามาบวชแล้วเราเดินในทุกเป้าหมายนี้ไหม เราต้องการไปทิศเหนือแต่เราเดินไปทิศใต้มันก็ไม่มีวันที่จะถึงแต่กลับไปสู่ใบภูมิแทนนะความเป็นนักบวชทั้งหลายนะไม่ไว่าเป็นพระก็ดีนะเป็นชีก็ดีนะตรงนี้ก็คือเราได้อาศัยการทนุบำรุงของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่สละจะตุปัจญาสี่มาบำรุงดูแ ล, แลแล้วนะเราก็ต้องบำเพ็ญให้กิเลสในใจของเราลดน้อยลงไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ อันนี้ก็ชื่อว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณของญาติโยมที่ดูแลเราเป็นอย่างดีนะแล้วก็เป็นการทาตามที่พระพุทธบิดาได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ในการละความโลภความโกรธความหลงเพื่อถึงซึ่งพรนิพพานในชาติปัจจุบันนี้นะแต่ถ้าเราไม่ทำตามนี้ก็ชื่อว่าเราทำไม่ถูกต้องอไปติดไปขัดไปค้องไปคา อ, อยู่ในเสียงต่างนะนอกจากว่าเราจะไม่ถึงพระนิพพานแล้ว เราอยากอาจจะมีอบายภูมิเป็นที่ไปได้ในอนาคตการก็เป็นหนทางที่มันไม่ใช่ความทุกข์เพราะนั้นในตรงนี้นะเราก็ต้องทำให้ถูกต้องโดยการสำรวจมินซีทั้งหลายสิ่งใดที่ไม่ยังเป็นะและ้วอย่าไปเกี่ยวข้องนะในการมาคุณทั้งหลายอย่าไปมุ่งที่จะไปสแสวงหากามาคุณที่จะมาสนองกิเลสเรา ในรูปรสกิ่นเสียงทั้งหลายแหล่กลับมารู้กายรู้ใจของเราตามความเป็นจริงกายของเราเป็นอย่างไรกำลังทำอะไรอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูไปใจของเรามีความคิดมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความอิจฉาเิษยาความหึงหวงความน้อยใจความเสียใจความเศร้าใจ ความหงุดหงิดความเหงาวความเครียดอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องรู้ให้ไวเมื่อรู้ให้ไวแล้วก็ไม่ไปเพลิดเพลินไปในลมเหล่านั้นก็ต้องละลมต่างๆให้เร็วมันก็กระพิบตาฉังนั้นการละลมต่างๆก็เป็นสิ่งที่ง่ายอยู่แล้วไม่เป็นสิ่งที่ยากเลยนะเพราะพวกเราก็เข้าใจวิธีการที่จะละลมต่างๆได้เร็วอยู่แล้วแล้วก็ความยึดติดในร่างกายก็คือร่างกายและจิตใจของเรา เรามีความยึดติดมากหรือน้อยเพียงใดนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้โดยตัวเราเองนะว่าเราคนธรรมดาเรามาว่าเรามานินทาเรามากระทบกระเทียบเราเรามียลมมากน้อยเท่าใดนะถ้าเรายังมีความโกรธมากๆเช่นสมัยก่อนก็แสดงว่าการบิบัติธรรมเราก็ได้ผลน้อยนะเราจะมีความยึดติดในร่างกายเรานะในคําพูด ไปให้ค่าในสิ่งต่างๆเหล่านั้นมากเกินไปนะอันนี้ชื่อว่าเรายังละสากลยสถิติไม่ได้นะเลือดจาไม่ได้ละอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้ามีมีการกระทบอารมณ์แล้วนะเราสามารถปล่อยสามารถวางละคลายจากการยึดติดในลมทั้งหลายเกิดการปล่อยการวางได้นี่แหละก็ชื่อว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดีแล้วนะ อันนี้ก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ในการที่เราปล่อยวางความยึดติดความยึดมั่นในตัวตนของเราได้ไหมมากน้อยเพียงใดจิตเราก็จะเป็นอิสระได้มากขึ้นไม่ไปข้องเกี่ยวในรมไม่ไปยึดติดในตัวตนมากขึ้นยิ่งเราปล่อยได้เร็วนะจากการยึดติดในตัวตนและลมทั้งหลายนะการบัดของเราก็ยิ่งก้าวหน้าเร็วขึ้นเรื่อยๆนะมันก็ใกล้พนันธพพันได้มากขึ้น ความโลภความโกรธความหลงของเราก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นดูที่การที่เราปล่อยวางได้เร็วไหมเรารู้เท่าทาันอารมณ์ไหมเราเป็นผู้ดูได้เร็วไหมนะหนทางนี้นะถ้าเราทําได้ถูกต้องแล้วนอกจากเราจะไม่ติดไม่ขัดไม่คล้องไม่คาในลมต่างๆได้แล้วซึ่งเป็นความทุกข์ในชาตินี้เราก็จะไม่ต้องไปความทุกข์ในชาติหน้าอีกต่อไปเพียงแค่เราทําปัจจุบันนี้ให้ถูกต้องให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนะ ก็ขอทุกท่านถึงซึ่งความพ้ทุได้โดยปัจจุบันทุกชาติทุกท่านเทิน